ในกระบวนทําแบบวงจรสั้นทั้งฝ่ายกอ่อเกิดทุกข์หรือฝ่ายสังสารวัตรและฝ่ายดับทุกข์หรือฝ่ายวิวัตรตนี้แม้จะไม่ได้กล่าวถึงอวิชชาไว้แต่ก็พึงทราบว่ามีอวิชชาแฝงอยู่พร้อมในตัวซึ่งเห็นได้ไม่ยากกล่าวคือในฝ่ายกอ่อเกิดทุกข์เมื่อเสวยเวทนาแล้วตัณหาเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้เท่าทันสภาพความจริงของสิ่งที่ตนเสพเสวยนั้น ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าไปยึดถือเอาเป็นของตนได้จริงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรอย่างไรเป็นต้นและทําการรับรู้ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าอาวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากอาวิชชาสัมผัสนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาส่วนในฝ่ายดับทุกข์เมื่อเสวยเวทนาแล้วไม่เกิดตัณหา ก็เพราะมีความรู้เท่าทันสภาวะสังขารของสิ่งที่เสพสเวยคือมีวิชารองเป็นผืนอยู่จึงทำการรับรู้ชนิดที่ไม่ประกอบด้วยอวิชาเมื่อไม่มีอวิชาสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่นำไปสู่ตันหาดังนั้นที่ว่าตันหาดับจึงบ่งถึงอวิชาดับอยู่แล้วในตัวพูดอีกในย่หนึ่งว่าเป็นการดับอวิชาที่แสดงอย่างอ้อม โดยยกการดับตัณหาขึ้นชูเป็นตัวเด่นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงในคำจำกัดความอย่างสั้นของอริยสัจข้อ2และ3ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์และดับทุกข์ได้ด้วยการดับตัณหาการที่ทรงแสดงแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพในทางปฏิบัติง่ายขึ้นและเห็นทางที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่าที่กล่าวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ ทั้งแบบวงจรยาวและวงจรสั้นสรุปว่าหลักการสำคัญของการดับทุกคือการตัดวงจรให้ขาดวงจร น, นี้ตามปกติตัดได้ที่หัวเงื่อนหรือขั้วสองแหง่งได้แก่ที่ขั้วใหญ่คืออวิชชาและที่ขั้วรองคือตันหาแต่ไม่ว่าจะตัดที่ขั้วใดก็ต้องให้ขาดถึงอวิชชาด้วยการตัดวงจรจึงมีสองอย่าง คือตัดโดยตรงที่อวิชาและตัดโดยออบที่ตัญหาเมื่อวงจรขาดกระบวนการสังสารวัตรสิ้นสุดลงเข้าสู่วิวัตตะคำว่าสังสารวัตรและวิวัตตะนำมาใช้ณที่นี้ตามนิยมแห่งวิวัฒนาการของภาษาไม่ใช่คำจำเพาะที่ใช้มาแต่เดิมวัตตะในที่นี้สะกดอย่างนี้วอแวนไมหนานกาตตอปตะ และต่อปตตัสระอะแปลว่าการวนเวียนการเวียนเกิดเวียนตายการเวียนไห้าตายเกิดสังสารวัฏในบาลีนิยมใช้เพียงสังสาระหรือวัตตะคำใดคำหนึง่งต่อมาในบาลีรุ่นรองจึงใช้ควบกันส่วนวิวัตตะในบาลีทั่วไปไม่นิยมใช้ในความหมายนี้เว้นแต่ในปฏิสัมพิธามัก ต่อมาในคำพีรุ่นอัตถกถาและดีกาจึงนิยมใช้กันเดินขึ้นเมื่อวงจรขาดกระบวนธารสังสารวัต ส, สิ้นสุดลงเข้าสู่วิวัตตะก็จะบรรลุภาวะแห่งความดับทุกข์เป็นผู้มีชัยต่อปัญหาชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้โศกะปริเทวะเป็นต้นมีความสุขที่แท้จริงเรียกว่าเข้าถึงวิ ช, ชาวิมุตติวิสุทธิสันติ หรือนิาพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมามีชีวิต